สากุติทูสกะวะหมวดว่าด้วยการประทุสร้ายรังหนึ่งกุติทูสกะชาดกว่าด้วยลิงประทุสร้ายรังนกขมิ้นโพธิสัตว์กล่าวกับลิงว่าวานอนศีรษะมือและเท้าของท่านเหมือนของมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรหนอเรือนของท่านจึงไม่มีลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่านกขมิ้น ศีษะมือและเท้าของเราเหมือนของมนุษย์ก็จริงแต่ปัญญาที่บัณดิตสรรเสริญว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์เราไม่มีนกขมิ้นโพธิศกล่าวว่าบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงกลับกรอกประทุสร้ายมิตมีปกติไม่ยั่งยืนอยู่เป็นนิดย่อมไม่มีความสุขนี่ลิงท่านจงสร้างอนุภาพปัญญาจงกลับตัวให้มีความเป็นปกติเสีย จงสร้างกระท่อมป้องกันลมและความหนาวเถิดปุติตูส ก, กะชาดกที่หนึ่งจบ 2. ทุทุพายะชาดกว่าด้วยกระตายตื่นตูมกระตายกล่าวกับราชสีห์โพธิสัตว์ว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านเขาพระเจ้าอยู่ที่ใดที่นั้นมีเสียงดังสนัน่นแม้เขาพระเจ้าก็ไม่ทราบว่าเสียงดังสนั่นนั้นเป็นเสียงอะไร พระศาสดาตรัสพระคถ า, าเหล่านี้ว่ากระต่ายได้ยินเสียงผลมาตูมหล่นเสียงดังสนั่นก็วิ่งหนีไปฝูงสัตว์ฟังคาของกระต่ายก็กลัวตัวสัน่นพวกคนโง่เขายังไม่ทันรู้เรื่องแจมแจ้งฟังคนอื่นโจษขานก็พากันตื่นตระหนกพวกเขาเชื่อคนอื่นง่ายส่วนคนเหล่าใดเป็นนักปรารถ์พีบพร้อมด้วยศีลและปัญญายินดีในความสงบ และเว้นไกลจากการกระทำชั่วคนเหล่านั้นหาเชื่อคนอื่นง่ายไม่ทุทุพายชาดกที่สองจบ 3. พรหมทัตตชาดกว่าด้วยพระเจ้าพรหมทัตดาบทโพธิสัตว์ได้กล่าวคาถากับพระราชาว่าขอถวายพระพรมหาะพิษขึ้นชื่อว่าผู้ขอย่อมได้ผลสองอย่างคือหนึ่งไม่ได้ทรัพย์ สองได้ซับเพราะการขอมีสภาพเช่นนี้เป็นธรรมดาข่าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นปัญจาละบัณฑิตทั้งหลายเรียกการขอว่าเป็นการร้องไห้เรียกการปฏิเสธว่าเป็นการร้องไห้ตอบชาวแคว้นปัญจาละผู้มาประชุมพร้อมเพรียงกันขออย่าได้เห็นอัตมภาพร้องไห้หรือเห็นพระองค์ทรงกันแสงตอบเลยเพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงปรารถนาสถานที่ลับพระราชาตรัสพระราชทานพรแกดาบทโพธิสัตว์ว่าท่านพราหม์ย่อมขอถวายโคแดงพันตัวพร้อมด้วยโคจ่าฝูงแก่ท่านเพราะพระอริยะได้ฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของพระกุณเจ้าแล้วจะไม่พึงถวายแก่พระอริยะได้อย่างไรโรมทัตตชาดกที่สจบ 4. จามัสาตกะชาดก ว่าด้วยปริภาชกชื่อจำมะสาตะกะปริภาชกยืนประนมมือต่อแพะแล้วกล่าวว่าสัตว์สีเท้างดงามจริงหนอะท่าทางสง่าและน่ารักน่าเอ็นดูย่อมอ่อนน้อมต่อพราหมณ์ผู้เพียรพร้อมด้วยชาติและมนจากเป็นแพะประเสริฐมียศศัก์พ่อค้าบัณฑิตโพธิสัตว์ห้ามปริภาชกนั้นว่านี่พราหมณ์อย่าได้วางใจสัตว์สีเท้าตัวนี้ ด้วยการเห็นมันเพียงครู่เดียวเลยมันต้องการจะขิดให้เต็มที่จึงย่อตัวลงแสดงท่าขิดให้เหมาะพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสว่ากระดูขาอ่อนของปริภาชกก็หักบริคารที่หาบก็พลัดตกและสัมภาระทั้งหมดของพรามก็แตกปริภาชกประคองแขนทั้งสองข้างคล้มครวญอยู่ว่าช่วยด้วยแพะฆ่าคนประพฤติพรหมจรรย์ ปริพาชกกล่าวว่าผู้ที่สันเสริญคนซึ่งไม่ควรบูชาจะถูกขวิดนอนอยู่เหมือนเราผู้โง่เขลาถูกแพ้ขวิดในวันนี้จามมาสาตะกะชาดกที่สี่จบหโคทชาดกว่าด้วยฤาษีจะกินเหียพญาเฮียโพธิสัตว์เมื่อสนทนากับดาบทจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจท่านว่าเป็นสมณนะ จึงเข้าไปหาท่านผู้ไม่สำรวมท่านเอาท่อนไม้คว้างปาเข้าพเจ้าทำเหมือนไม่ใช่สมณะนี่เจ้าผู้โงเ่เขลาจะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยชดาและการนุ่งห่มหนังเสือเหลืองภายในของเจ้าแสนจะร ก, กรุงรังเจ้าขัดสีแต่ภายนอกเท่านั้นดาบทได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่ามาเถิเที่เจ้าจงกลับมากินข้าวสาลีสุ น้ำมันเกลือและดีปลีของเรายังมีอยู่เพียงพอพญาเฮียโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าข้าพเจ้านั้นจะเข้าไปยังจอมปลูกที่ลึกถึงร้อยชั่วคนน้ำมันเกลือและดีปลีของท่านจะมีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์สําหรับข้าพเจ้าโคทัชาดกที่หจบ 6. กกากาลุชาดก ว่าด้วยผู้สมควรได้ดอกกักรุทิพหัวหน้าเทพบุตรองค์ที่หนึ่งกล่าวกับพระราชาผู้ขอดอกไม้ทิพว่าผู้ใดไม่รักทรัพย์ด้วยกายไม่พูดเท็จได้ยศแล้วก็ไม่มัวเมาผู้นั้นแหละสมควรได้ดอกกักรุทิพเทพบุตรองค์ที่สองกล่าวกับปุโรหิตว่าผู้ใดสแสวงหาทรัพย์อันน่าปลื้มใจโดยชอบธรรมไม่หลอกลวงเอาทรัพย์เขามา ได้โภคะทั้งหลายแล้วไม่มัวเมาผู้นั้นแหละสมควรได้ดอกกักรุทิพเทพบุตรองค์ที่สมกล่าวกับปุโรหิตว่าผู้ใดมีจิตไม่ไหน่ายเร็วมีศรัทธาไม่คลายง่ายไม่บริภพโภคโภชนะอร่อยเพียงคนเดียวผู้นั้นแหละสมควรได้ดอกกักรุทิพเทพบุตรองค์ที่สกล่าวกับปุโรหิตว่าผู้ใดไม่ด่า ว, ว่าสบับุุษต่อหน้าหรือลับหลัง พูดอย่างไรทําอย่างนั้นผู้นั้นแหละสมควรได้ดอกกาการุทิพกาการุชาดกที่หจบ 7. กากะวะตีชาดกว่าด้วยนางกากะวะดีหน้าตากูเวระคนทันยืนอยู่ในราชสำนักได้ขับร้องเพลงว่านางผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอยู่ที่ใดกลิ่นกายนางก็ยังหอมฟุ้งมาจากที่นั้น ข้าพเจ้ามีใจกำนัดยินดีในนางใดนางนั้นชื่อว่ากากะวดีอยู่ไกลาจากนี้พญาครุฑได้ฟังดังนั้นจึงถามว่าท่านข้ามสมุทรไปได้อย่างไรข้ามแม่น้ำเยปุ ก, กะไปได้อย่างไรข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้อย่างไรและขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้อย่างไรนตะกูเวรคนนทันตอบว่าข้าพเจ้าข้ามสมุทรไปได้เพราะท่าน ข้ามแม่น้ำเกปุกะไปได้เพราะท่านข้ามสมุทรทั้งเจ็ดไปได้เพราะท่านและขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้ก็เพราะท่านพญาครุฑเดียกล่าวว่าน้าติเตียนจริงเราตัวใหญ่เสียเปล่าแต่หามีความคิดใหม่เพราะเราได้นำชาชูของเมียตัวเองทั้งไปทั้งกลับกากะวัตีชาดกที่เจ็ดจบ 8. อนันุโสจิยชาดก ว่าด้วยทุกคนไม่ควรเศร้าโศกพระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชนว่าตาปัสสินีผู้เจริญไปอยู่ในหมู่ชนเป็นจำนวนมากที่ตายแล้วนางผู้อยู่ร่วมกับพวกคนตายเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรแก่เราเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงนางสัมมิลลาหาสินีตาปัสสินีผู้เป็นที่รัก ถาบุคคลจะพึงเศร้าโศกถึงความตายที่ไม่มีแก่สัตว์ผู้เศร้าโศกควรเศร้าโศกถึงตนผู้ตกอยู่ในอำนาจของมัจุทุกเมื่อเถิดอายุสังขารจะติดตามสัตว์ผู้ยืนนั่งนอนและเดินไปมาเท่านั้นก็หาไม่ไหว ย, ย่อมติดตามเหล่าสัตว์แม้กระทั่งลืมตาและหลับตาเมื่อความพระพาพรากมีอยู่อย่างไม่ต้องสงสัยในอัตภาพที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้อย่างนี้ บุคคลควรเอ็นดูสัตว์ที่ยังเป็นอยู่ยังเหลืออยู่ไม่ควรเศร้าโศกถึงสัตว์ที่ตายไปแล้วอ น, นัุโสจิยะชาดกที่8ดจบ9กากาลภาหุชาดกว่าด้วยลิงชื่อกาลพาหุนกแขกเต้าโบธปาทะกล่าวกับนกแขกเต้าราทโพธิศผู้เป็นพี่ชายว่าเมื่อก่อนเราได้กข้าวและน้ำใดจากราชสำนัก บัตรนี้ข้าวและน้ำนั้นไปหาหลิงเท่านั้นพี่ราทะเรากลับไปป่ากันเถิดเพราะพระเจ้าท น, นชัยไม่สักการะเราแล้วนกราทะโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าน้องปทปาทะเอย๋ยโลกธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้คือความมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาสันเสริญสุขและทุกข์เป็นของไม่เที่ยง เจ้ า, ยาเยอ่อเศร้าโศกไปเลยจะเศร้าโศกไปทำไมนกโปทบาทะกล่าวว่าพี่ราทะพี่เป็นบัณฑิตแท้ๆย่อมรู้ประโยชน์ที่ยังไม่มาถึงทำอย่างไรเราจะเห็นลิงชั่วถูกไล่ออกจากราชรกูลนกราทะโพธิสัตว์กล่าวว่าลิงกาและพาหูกระดิกหูกรอกหน้ากรอกตาทำให้พระราชกุมารหวาดกลัวอยู่บ่อยๆมันจะทาตนเองให้อดข้าวและน้า กาลพาหุชาดกที่เก้าจบ 10. ศีละวีมังสาชาดกว่าด้วยการพิจารณาอานิสงของศีลปุโรหิตโพธิสัตว์ยืนอยู่ในที่ใกล้พระราชาได้พนานาศีลด้วยคถานิว่าได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งดีงามศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดนาคที่มีพิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนใครใ เพราะสำนึกอยู่ว่าตนมีศีลพระโพธิสัตว์เห็นโทษของกามแล้วจึงกล่าวว่าตราบใดเหี่ยวนั้นยังคาบชิ้นเนื้อใดๆอยู่ตราบนั้นเหวี่ยวทั้งหลายในโลกก็พากันรุมจิกตีกันแต่พวกมันจะไม่เบียดเบียนเหวี่ยวที่ไม่มีความกังวลคนที่ไม่มีความหวังย่อมหลับสบายความหวังที่ได้ผลสมหวังเป็นความสุข นางปิงคลาทำความหวังให้สิ้นแล้วย่อมหลับสบายความสุขอื่นยิ่งกว่าสมาธิไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคนผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองสีละวีมังสะชาดกที่ส0บจบกุติทูสกะวักที่สมจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือหนึ่งกุติทูสกะชาดก 2. ทุทุพายชาดก 3. พรหมทัตตชาดก 4. จำ ม, มสาต ก, าชากาะชาดก 5. โคทชาดก 6. กกั ก, กรุชาดก 7. กากะวะตีชาดก 8. อนนุโสจิยชาดก 9. ก, กาลพาหุชาดก 10. ศ ส, สีลวีมังสะชาดก 4. โกขิลวักหมวดว่าด้วยลูกนกดูวหนึ่งโกขิลชาดกว่าด้วยลูกนกดูว์ อ, าอมาตแก้วโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาว่าผู้ใดพูดเมื่อยังไม่ถึงเวลาพูดก็พูดเกินเวลาผู้นั้นจะถูกกำจัดนอนตายอยู่เหมือนลูกนกดูวธรรมดาศาสตราที่ลับจนคมดีแล้ว เหมือนอยาพิษที่มีพิษร้ายแรงจะให้ตกไปในทันทีหาได้ไม่เหมือนวาจาที่เป็นทุพภาสิทธเพราะฉะนั้นบัณฑิตควรรักษาวาจาไว้ทั้งในเวลาที่ควรพูดและไม่ควรพูดไม่ควรพูดที่เกินเวลาแม้ในบุคคลพูดเสมอกับตนส่วนผู้ใดมีความคิดเป็นเบื้องหน้ามีปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นประจักษ์พูดพอเหมาะกับการเวลา ผู้นั้นย่อมจับศัตรูทั้งหมดไว้ได้ดุดนกครุดจับนาคได้โกีิลาชาดกที่หนึ่งจบ 2. รัฐลัฐิชาดกว่าด้วยปโปรหิตโกรธประหารผู้อื่นด้วยประตักอมาตผู้พิพากษาโพธิสัตว์กราบทูลพระราชา ว, ว่าข้าแต่มหาราชคนบางคนทำร้ายตนเองกลับพูดว่าถูกทำร้าย ตนเองชนะกลับพูดว่าตนแพ้ดังนั้นไม่ควรเชื่อคนที่เป็นโจทฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นชาติบัณฑิตควรฟังฝ่ายจำเลยบ้างเมื่อฟังคำของทั้งสองฝ่ายแล้วควรตัดสินโดยธรรมครหัตผู้บริโภคการเกียรคร้านไม่ดีบรรชาชิตไม่สำรวมไม่ดีพระราชาไม่ทรงไค้ครวญก่อนแล้วทำไม่ดีการที่บัณฑิตกโกรธไม่ดี ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศกระสยบทรงไคร่ครวนก่อนแล้วจึงควรทรมไม่ทรงไคร่ครวนก่อนแล้วไม่ควรตัดสินยศและเกียรติย่อมเจริญแด่พระราชาผู้ทรงไคร่ครวนก่อนแล้วจึงทรรัฐาลติชาดกที่สองจบ 3. โคทชาดกว่าด้วยพระราชาหลอกหินเฮียย่างพระเทวีตรัสกับพระโพธิสัตว์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพเมื่อพระองค์ทรงเนบพระขันสวมเกราะทรงภูสาภาพเหลือมาอยู่ณนะทากลางป่าในการนั้นแลมอมฉันได้รู้จักพระองค์อย่างชัดเจนเฮียย่างที่กิ่งต้นอสัตถะได้หนีไปแล้วพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าบุคคลควรนอบน้อมแก่ผู้ที่นอบน้อมควรครบผู้ที่คบด้วยควรทำกิจแก่ผู้ที่ช่วยทำกิจ ไม่ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ควรครบแม้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะคบด้วยควรละทิ้งผู้ที่ละทิง้งและไม่ควรทำความเยื่อใหญ่ไม่ควรครบกับผู้มีจิตใจเหินห่างควรมองหาผู้อื่นที่มีความเยื่อใหญ่เหมือนนกรู้ว่าต้นไม้นี้หมดผลแล้วก็ไปยังต้นไม้อื่นเพราะว่าโลกกว้างใหญ่ พระราชาทรงระลึกถึงคุณความดีของพระเทวีได้จึงตรัสกับพระเทวีว่าเรานั้นเป็นกษัตริย์มุ่งความกระตันอยู่อุปการะคุณที่เธอกระทำแล้วจะกระทำการตอบแทนเธอตามความสามารถอันหนึ่งเราจะมอบความเป็นใหญ่ให้แก่เธอทั้งหมดเธอประสงค์สิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นโคทชาดกที่สจบ 4. ราโชวาทชาดก ว่าด้วยดาบทวายโอวาดแด่พระราชาดาบทโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าเมื่อฝูงโคข้ามน้ำไปถ้าโคจะฝูงไปคดเคี้ยวโคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกันในเมื่อโคจะฝูงไปคดเคี้ยวในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วยหาพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์เมื่อฝูงโค ข, ข้ามน้ำไปถ้าโคจะฝูงไปตรงโคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื่อโคจาฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วยหากพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุขราโชวาทชาดกที่สี่จบ 5. ชามพุ ก, กะชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชามพุกะอวดเก่งราชสีห์โพธิสัตว์สอนสุนัขจิ้งจอกว่าชามพุกกะช้างนั้นมีร่างกายสูงใหญ่และมีงายาว เจ้าไม่ได้เกิดในตระกูลของราชสีที่สามารถจับช้างได้ราชสีโพธิสัตว์ยืนอยู่บนยอดภูเขาเห็นสุนัขจิ้งจอกถึงความพินาศจึงกล่าวว่าสัตว์ใดไม่ใช่ราชสีทําท่าทางเหมือนราชสีสัตว์นั้นจะเป็นเหมือนสุนัขจิ้งจอกถูกช้างเหยียบแล้วนอนทอดอาลัยอยู่บนแผ่นดินผู้ใดไม่รู้กําลังกายกําลังปัญญาและกําเนิดของบุคคลผู้มียศผู้สูงสุด ผู้มีร่างกายใหญ่และมั่นคงมีกำลังมากผู้นั้นก็เหมือนชัมพุกะที่ถูกช้างฆ่านอนตายอยู่ส่วนผู้ใดในโลกนี้รู้กำลังกายและกำลังปัญญาในตนพิจารณาด้วยความที่ได้เล่าเรียนศึกษามาและด้วยคำสุภาษิตประมาณตนแล้วจึงทำการงานผู้นั้นย่อมมีชัยอย่างไัยบูนชัมพุกะชาดกที่หจบ6ก พระหาฉัตตชาดกว่าด้วยพระกุมารชื่อพระหาฉัตพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาในเวลาที่ทรงบ่นเพอ้อว่าพระองค์ทรงบ่นอยู่ว่ายา่ยาย่าใครหนอนำย่ามาถวายพระองค์พระองค์มีกิจที่จะพึงทําด้วยย่าหรือหนอจึงตรัสแต่คาว่ายา่ยาย่าเท่านั้นพระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่า ชติรือศีนั้นมีร่างกายสูงเป็นโพรมจารีเป็นพระหูสูดมาแล้วที่นี้ลักเอาทรัพย์ทั้งหมดของเราไปใส่ยญ้าไว้ในตุ่มแทนแล้วหนีไปพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าผู้ต้องการใช้ยญ้ามีค่าน้อยแลกทรัพย์จำนวนมากย่อมต้องกระทำอย่างนี้คือถือเอาทรัพย์ของตนแต่ไม่ถือเอายญ้าซึ่งไม่ควรถือเอาการพิไรราพันในเรื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไร พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าคนมีศีลไม่กระทำเช่นนั้นคนพาลทำเช่นนั้นเป็นปกติทำไมหนอจะทำคนที่มีศีลไม่มั่นคงซึ่งเป็นคนทุศีลให้เป็นบัณฑิตได้พระหาชัตตชาดกที่หจบ 7. ปีทชาดกว่าด้วยเศรษฐีถวายตังตามตระกูล เศรษฐีกรุงพาราณสีได้กล่าวกับดาวบทโพธิสัตว์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถวายตังน้ำดื่มและโภชนาหารแด่พระคุณเจ้าท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอพระคุณเจ้าจงยกโทษให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเห็นโทษนั้นอยู่พระดาบทโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าอาตมาไม่ได้ติดใจไม่ได้โกรธเคืองและไม่ได้มีความไม่พอใจแม้แต่น้อยอนหนึ่ง แม้อัตมาก็ยังคิดคำหนึงอยู่ในใจว่าหน้าที่ในตระกูลเป็นเช่นนี้แน่นอนเซทีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าถวายอาสนะน้ำดื่มและน้ามันทาเทา้าทุกสิ่งทุกเมื่อนี้เป็นหน้าที่ในตระกูลครั้งปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าพว้ข้าพระเจ้าบำรงสมณะและพรามโดยเคารพในการทุกเมื่อเหมือนญาติผู้ใหญ่ นี้เป็นธรรมในตระกูลครั้งบิดาและปู่ของข้าพเจ้าปีท่าชาดกที่เจจบ 8. ปทุสชาดกว่าด้วยหนูไม่กินแกลบในเวลาที่พระโอรสมีพระชนมายุ1 6พรรษาขณะที่กำลังสวยพระกรยาหารเย็นพระราชาแห่งกรุงพระนสีตรัสกับพระโอรสว่าแกลบก็ปรากฏโดยความเป็นแกลบ และเข้าสารก็ปรากฏโดยความเป็นเข้าสารแก่หนูทั้งหลายแต่พวกหนูเว้นแกลบเสียแล้วเคี้ยวกินเฉพาะเข้าสารเท่านั้นในเวลามีการเข้าเฝ้าเป็นการใหญ่พระราชาตรัสว่าการปรึกษากันในป่า ก, ก็ดีการกระซิบกันในบ้านก็ดีการวางแผนฆ่าเราก็ดีทั้งหมดนั้นเรารู้แล้วครั้นพระราชาประทับยืนอยู่ที่หัวบันไดก็ตรัสว่าได้ยินว่า พ่อของลิงกัดผลลูกอันทะของลูกลิงที่เกิดตามธรรมชาติเสียตั้งแต่ยังเล็กอยู่พระราชาประทับยืนที่ธรณีประตูตรัสอีกว่าการที่เจ้ากระสับกระสายอยู่เหมือนแพตาบอดในไร่ผักกาดและเจ้านอนอยู่ใต้แท่นบันทมทั้งหมดนั้นเรารู้แล้วทุสะชาดกที่8จบ 9. ภาาเวรุชาดกว่าด้วย ความเสื่อมลาบในกาในแคว้นพาเวรุพระศา ส, สดาทรงประมวลอดีตนิทานมาแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าเพราะยังไม่เห็นนกยุงที่มีงอนมีเสียงอันไพเราะประชาชนในแคว้นพาเวรุนั้นได้พากันบูชากาด้วยเนื้อและผลไม้แต่เมื่อใดนกยุงที่มีเสียงไพเราะมายังแควนพาเวรุเมื่อนั้นลาบและสักระของกาก็เสื่อมถอยไป ตราบใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ทำโลกให้สว่างสวัยยังไม่ได้อุบัติขึ้นตราบนั้นประชาชนก็พากันบูชาสมณะและพราหมณ์เหล่าอื่นจำนวนมากแต่เมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาบสักระของพวกดีรถีก็เสื่อมไปภาเวรุชาดกที่เกจบ 10. วิสัยหาชาดก ว่าด้วยวิสัยหะเศรษฐีเท้าสักกะเสดมายืนอยู่ในอากาศได้ตรัสกับวิสัยหะเศรษฐีโพธิสัตว์ว่าท่านวิสัยหะเศรษฐีเมื่อก่อนท่านได้ให้ทานก็เมื่อท่านให้ทานอยู่อย่างนั้นโภคาทั้งหลายของท่านก็สิ้นไปเป็นธรรมดาตั้งแต่นี้ไปถ้าท่านจะไม่พึงให้ทานโภคาทั้งหลายของท่านผู้งดให้ทานก็จะพึงดำรงอยู่ วิสัยหาเศรษฐีโพธิสัตว์ได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่าท้าวสหสเสนีพระอริยะทั้งหลายกล่าวอนารยะธรรมว่าเป็นกิจที่อริยชนหรือแม่คนยากจนไม่ควรทำท่านจอมชนเราพึงศรัทธาเพราะเหตุแห่งการบริโภคทรัพย์ใดขอทรัพย์นั้นอย่าพึงเกิดแก่เราเลยรถคันหนึ่งเล่นไปทางใดรถคันอื่นก็จะเล่นไปทางนั้นท้าววาสะวะ ธรรมเนียมที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนขอจงดำเนินต่อไปเถิดถ้ายังมีอยู่เป็นอยู่ก็จะให้เรื่อยไปเมื่อไม่มีชีวิตจะให้อย่างไรขขาพเจ้าแม้มีสภาพอย่างนี้ก็ยังจะให้ขขาพเจ้าจะไม่ลืมการให้เลยวิสัยหาชาดกที่สิบจบโกคิลวัคที่สี่จบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือหนึ่ง โคกิลชาดก 2. รัฐาิชาดก 3. โคทะชาดก 4. ราโชวาทะชาดก 5. ชัมพุกะชาดก 6. พรหมชัตตชาดก 7. ปีตชาดก 8. ทุสชาดก 9. ภาวิรุชาดก 10. วิสัยหะชาดก กุนาละวัคหมวดว่าด้วยนกกุณาละหมวดสั้นหนึ่งกุนทะลิกะชาดกว่าด้วยกุนทะลิกะราชาในเรื่องที่พญานกกุณาละพูดกับนกปุณณมุขานี้มีคาถาประพันธ์ไว้อีกส่วนหนึ่งว่าบรรดาผู้ผู้หญิงที่ทำความเรื่อนรมให้แก่ผู้ผู้ชายเป็นคนหลายใจไม่มีใครจะบังคับได้ แม้ถ้าว่าพวกนางจะพึงทาให้เกิดความพอใจในที่ทั้งปวงก็ไม่ควรไว้ใจเพราะว่าผู้ผู้หญิงเปรียบเสมือนท่าน้ำพญานกุณาละเกิดเป็นปัญจาละจันท ป, ปุโรหิตนำเหตุที่ตนได้เห็นมาแสดงว่าบัณฑิตเห็นเหตุคลายความกำหนัดของพญากินนอนและพญากิ น, นรีแล้วพึงทราบเถิดว่าผู้หญิงทั้งปวงไม่ยินดีในเรือนของสามี เหมือนพัญญาได้ทอดทิ้งสามีคู่ชีวิตเช่นนั้นไปเพราะพบชายอื่นแม้เป็นคนง่อยเปลี่ยพญานกกุลทะลิกะเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตเมื่อจะแสดงเรื่องที่ตนได้ทราบมาแล้วจึงกล่าวว่าพระเหสีของพระเจ้าพะกะและพระเจ้าภาวรีผู้หมกมุ่นอยู่ในกา ม, มากเกินไปได้เป็นชู้กับมหาเล็กคนสนิทของพระนางมีหรือผู้หญิงทั้งหลายจะไม่พึงเป็นชู้กับชายอื่น พญานกกุลทลิกะเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตเมื่อจะแสดงเรื่องที่ตนเห็นมาเองจึงกล่าวว่าพระนางปิงชยานีอัครเมเหสีผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพรหมทัตผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งมวลได้เป็นชู้กับผลเลี้ยงม้าผู้ใกล้ชิดพระนางพระนางเป็นผู้มากมากในกามไม่ได้ประสบผลแม้ทั้งสองอย่างกุลทลิกะชาดกที่หนึ่งจบสอง วานรชาดกว่าด้วยวานนพธิสัตว์วานนพทิสัตวได้กล่าวกับเจระเคว่าข้าพเจ้าสามารถขึ้นจากนะ้ำมาบนบกได้เจระเคบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ตกอยู่ในอำนาจของท่านอีกต่อไปพอกันทีสำหรับผลมะม่วงลูกว่าและขนุนที่ต้องข้ามฝั่งสมุทรไปกินผลมะเดื่อของเราดีกว่าอันหนึ่ง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 นางนกเกรียนกราบทูลพระราชาโพธิสัตว์ว่าข้าพระองค์ได้อาศัยอยู่ในพระราชนิเวศของพระองค์ได้รับสักการะอยู่เนืองนิดบัดนี้พระองค์ได้ทรงก่อเหตุแห่งความเสียใจให้แก่ข้าพระองค์ข้าแต่มหาราชเอาเถิดข้าพระองค์จะลาไปยังป่าหิมพานพระราชาโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าผู้ใดรู้กรรมชั่วร้ายที่คนอื่นทําแก่ตน และรู้คมชั่วร้ายที่ตนทําตอบแกเขาเวณของผู้นั้นย่อมระ ง, งับไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม่นกกระเรียนเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่เถิดอย่าไปเลยนางนกกเรียนได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่ามิตรภาพของผู้ประทุษร้ายและของผู้ถูกประทุษร้ายย่อมสมานกันไม่ได้อีกใจไม่อนุญาตให้อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพข้าพระองค์จากไป พระราชาโพธิสัตวร์ตรัสว่ามิตรภาพของผู้ประทุษร้ายและของผู้ถูกประทุษร้ายพวกที่เป็นนักปราดย่อมสมานกันได้อีกแต่พูกที่โง่เขาย่อมสมานกันไม่ได้แม่นกกเรียนเธอจงอยู่เถิดอย่าไปเลยกุณฑินีชาดกที่สจบ 4. อัมพชาดกว่าด้วยพระครัวตาเฝ้าสวนมะม่วง ลูกสาวเศรษฐีคนที่หนึ่งกล่าวคำสาบานแก่ชะดินโกงว่าหญิงใดได้ลักผลมะม่วงทั้งหลายของท่านไปขอหญิงนั้นจงตกอยู่ในอำนาจของชายที่ยอมผมให้ดำและลำบากด้วยการใช้แหนบถอนผมงอกที่งอกแซมขึ้นมาลูกสาวเศรษฐีคนที่สองกล่าวคำสาบานแก่ชะดินโกงว่าหญิงใดได้รับผลมะม่วงทั้งหลายของท่านไป หญิงนั้นถึงจะมีอายุตั้งสิปี25ปีหรือยังไม่ถึง30ปีก็ขออย่าหาผัวได้เลยต่อจากนั้นลูกสาวเศรษฐีคนที่สามกล่าวคำสาบานว่าหญิงใดได้รักผลมะม่วงทั้งหลายของท่านไปขอหญิงนั้นถึงจะกระเสือกกระสนเดินทางอันยาวไกลเพียงคนเดียวก็อย่าได้พบผัวแม้ในสถานที่ที่ได้นัดหมายกันไว้เลยต่อจากนั้น ลูกสาวเศรษฐีคนที่สจึงกล่าวคำสาบานบ้างว่าหญิงใดได้รับผลมะม่วงทั้งหลายของท่านไปขอหญิงนั้นถึงจะมีที่อยู่อันสะอาดตกแต่งร่างกายสวยงามประดับประดาด้วยระเบียบดอกไม้ลูบไล้ด้วยกระเจ่ะจันก็จงนอนอยู่บนที่นอนเพียงคนเดียวเถิดอามพชาดกที่สจบ 5. คข้าชะปุ่มพชาดก ว่าด้วยสัตว์เลื้อยคลานชื่อคชากุมพะอมาตแก้วโพธิสัตว์กล่าวกับตัวคชกุมพะว่าเจ้าตัวโยกเยกเจ้ามีความเชื่องชาอย่างนี้คราวเมื่อไฟป่าไหม้ป่าเจ้าจะทําอย่างไรตัวคชากุมพะได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าโพรงไม้และรอยแตกระแหงของแผ่นดินมีอยู่เป็นจํานวนมากถ้าพวกข้าพเจ้าหนีเข้าไปไม่ทันพวกข้าพเจ้าก็ตาย อมาโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าผู้ใดในคราวที่ควรทำช้าๆกลับทำงานอย่างเร็วพลันในคราวที่ควรทำอย่างรีบด่วนกลับทำอย่างชื่องช้าผู้นั้นย่อมหักรานประโยชน์ของตนเองเหมือนคนแข็งแรงเหยียบใบตานแห้งผู้ใดในคราวที่ควรทำช้าๆก็ค่อยๆทำงานอย่างช้าๆในคราวที่ควรทำรีบด่วนก็รีบทำอย่างเร็วพลัน ประโยชน์ของผู้นั้นก็บริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์กำจัดความมืดยังราตรีให้สว่างอยู่ข้าช้าปุ่มพระชาดกที่หจบ 6. เกศวชาดกว่าด้วยเกศวดาบทนารธาอมมาตกล่าวกับเกศวดาบทว่าทำไมหนอเกศวดาบทผู้มีโชคจึงได้ละพระเจ้ากรุงพารณสีผู้เป็นจอมมนุษย์ ผู้ยังความประสงค์ทั้งปวงให้สําเร็จได้กลับมายินดีอยู่ในอาสมของกัปปะดาบทเกสวดาบทกล่าวว่าท่านนาราธาอามาสถานที่อันน่ารื่นรมซึ่งให้สําเร็จประโยชน์ได้มีอยู่หมู่ไม้อันน่ารื่นรมใจก็มีอยู่แต่ถ้อยคําอันเป็นสุภาษิตของกัปปะดาบทย่อมทําให้เรารื่นรมยินดีนาราธาอามา ก, กล่าวว่า พระคุณเจ้าบริโภคข้าวสาลีสุกสะอาดปรุงด้วยเนื้อเหตุฉะไหนข้าวฟ่างและลูกเดือยอันหารสชาติไม่ได้จึงทำให้พระคุณเจ้าพอใจเกสวดาบอกกล่าวว่าโภชนะจะดีหรือไม่ดีจะน้อยหรือมากก็ตามบุคคลผู้มีความคุ้นเคยกันบริโภคในที่ใดโภชนะที่บริโภคแล้วในที่นั้นเป็นของดีทั้งนั้น เพราะรถทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเกสวชาดกที่หจบ 7. อยักกูตาชาดกว่าด้วยยักษ์เถอพเนินเหล็กใหญ่พระราชาโพธิสัตว ร, ร์ตรัสกับยักษ์ว่าวันนี้ท่านที่เถอพเนินเหล็กล้นล้วนใหญ่เหลือประมาณยืนอยู่กลางอากาศถูกเขาแต่งตั้งมาเพื่อคุ้มครองรักษาข้าพเจ้า หรือว่าพยายามจะฆ่าข้าพเจ้ายักฟังคําของพระราชาโพธิสัตว์แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เป็นทูตถูกพวกรากสดส่งมาที่นี้เพื่อปลงพระชนพระองค์แต่ว่าพระอินทเทวราชคุ้มครองพระองค์อยู่เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงผ่าพระเศียรของพระองค์ไม่ได้พระราชาโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงตรัสสงค์คาถาว่า ก็ท่าเ ท, ท้ามขรวานเทวราชผู้เป็นจอมแห่งเทพพระสวามีของพระนางสุชาดาคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าอยู่พวกปีศา ท, ทั้งปวงจงแผ่เสียงคำรามไปเถิดข้าพเจ้าไม่สะดุ้งกลัวพวกรากสดเลยพวกกุมภันและพวกปีศาจในคกองอยากเยื่อทั้งปวงจงเครื่มครโณไปเถิดปีศา ท, ทั้งหลายไม่สามารถจะรบกับข้าพเจ้าได้ท่าทางที่ทําให้น่ากลัวนั้นมีอยู่เป็นอันมาก อายะกูตชาดกที่เจ็จบ 8. อรัญญชาดกว่าด้วยวัดของผู้ออกจากป่าดาทดนุ่มกล่าวกับดาดบทผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อลูกออกจากป่าไปสู่บ้านแล้วควรจะคบคนมีศีลอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรลูกถามแล้วขอพ่อจงบอกข้อนั้นดาดบทผู้เป็นบิดาตอบว่าลูกรัก ผู้ใดพึงทำให้ลูกเบาใจอดทนความคุ้นเคยของลูกได้เชื่อฟังและอดกลั้งถ้อยคำของลูกได้ลูกไปจากที่นี้แล้วจงคบผู้นั้นผู้ใดไม่กระทำความชั่วทางกายวาจาใจลูกไปจากที่นี้แล้วจงดำรงตนอยู่เหมือนลูกในใส้คบผู้นั้นเถิดคนที่มีจิต ก, กลับกรอกเหมือนลิงรักง่ายนายเร็วดุดผ้าที่ย้อมด้วยขมิน้นลูกรัก ถึงแม้ว่าพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นจะไร้มนุษย์ลูกก็อย่าคบคนเช่นนั้นเลยอรัญญชาดกที่8จบ 9. กสันทิเพทชาดกว่าด้วยการทำลายมิมยตรไมตรีพระราชาโพธิสัตว์ตรัสกับนายสารถีว่านายสารถีสัตว์ตัวเมียทั้งสองตัวไม่เหมือนกันและอาหารก็ไม่เหมือนกันต่อมาภายหลัง เจ้าสุนัขจิ้งจอกชั่วนี้ยุให้แตกสมคีกันดูเถิดเรื่องที่เราคิดถูกต้องเพียงใดฝูงสุนัขจิ้งจอกพากันกินโคอุสภะและราชสีเพราะคำส่อเสียดใดคำส่อเสียดนั้นจึงเป็นไปถึงตัดมิรไมตรีเพราะเนื้อเป็นเหตุเหมือนดาบอันคมกริบนายสารถีเจ้าเห็นการนอนตายของสัตว์ทั้งสองตัวนี้ไหมผู้ใดเชื่อถือถ้อยคำของผู้ส่อเสด มุ่ทำลายมิมยตรไมตรีผู้นั้นจะต้องนอนตายอย่างนี้นายสารธีชนเหล่าใดไม่เชื่อถ้อยคำของผู้มุ่งทำลายมิมยตรไมตรีชนเหล่านั้นย่อมประสบความสุขเหมือนคนไปสวรรค์สันทิเพทชาดกที่9จบ 10. เทวตาปัญหาชาดกว่าด้วยปัญหาของเทวดา พระราชาตรัสบอกปัญหาที่เทวดาถามแก่พระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตว่าบุคคลใช้มือทั้งสองเท้าทั้งสองทุบตีและตกปากผู้อื่นค่าแต่มหาราชเขากลับเป็นที่รักเพราะเหตุแห่งการทุบตีนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นใครพระราชาตรัสบอกปัญหาข้อที่สองตามที่เทวดาถามว่าบุคคลด่าผู้อื่นตามใจชอบแต่ปรารถนาการกลับมาของเขา ข้าแต่มหาราชเขากลับเป็นที่รักเพราะเหตุแห่งการด่านั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นใครพระราชาตรัสบอกปัญหาข้อที่สามตามที่เทวดาถามว่าบุคคลกล่าวตู่กันด้วยถ้อยคําอันไม่เป็นจริงพากันโจกกันด้วยถ้อยคําไม่จริงข้าแต่มหาราชเขากลับเป็นที่รักของกันและกันเพราะเหตุแห่งการกล่าวตู่และโจกกันนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นใคร พระราชาตรัสบอกปัญหาข้อที่สตามที่เทวดาถามว่าบุคคลนำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะไปพวกเขาผู้นำไปกลับเป็นที่รักโดยแท้พวกเขากลับเป็นที่รักเพราะเหตุแห่งการนำสิ่งของไปพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นใครเทวดาปัญหาชาดกที่สิบจบจูลอุณาลวัคที่ห้าจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. กุณทลิกะชาดก 2. วานรชาดก 3. กุณตินีชาดก 4. อัมพชาดก 5. คขชะกุมพชาดก 6. เกศวชาดก 7. อยกปูตะชาดก 8. อรัญญชาดก 9. สันทิเพทะชาดก 10. เทวตาปัญหาชาดก รวมวัคที่มีในนิบาทนี้คือ 1. กาลิน้าวัค 2. ปุจิมันทวัคสกุติทูสกะวัค 4. โกขิรวัคหจูละกุณารวัคจะตุการิบาตจบ